หลังทำต่ออสกสาบนาทีจากที่เราได้สาธยายสูตรต่างๆจะนุกดีหรือว่าพากันง่วงนอนบูเจ้าอุบัติขึ้นเล้ยวในโลกนี้ตะโกนลงไปป้อมธรรมว่าน์คำสอน อันเป็นไปเพื่อตั้งออกจากทุกข์เพื่อสงบพิเลธ เ, เพื่อปะญินิพพานเราต้องลอยมเมื่อได้ฟังทรรนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าตะโกนะสะดกตีทิ่สมดับหน้ามันจำแนกออกเป็นไปอย่างนี้ลูกก็ไม่เที่ยง เวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงมิญญาณก็ไม่เที่ยงสิงใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไมใช่ตัวตนเป็นทุกว่ามันโสมําหน้ามันก็ไม่เที่ยงยาเป็นทุกข์ผู้ควาเป็นทุกขอยาเป็นทุกผู้คองเป็นทุกข์จงลกสาตนในพุทจากทุกข์เผยตั้งสิ้นเถิด ลูกจอบอะไรมั่เปมนปทุกข์อย่าไปงู้ชหลอดมีสติในที่เป็นโทษกับตัวอย่างและคนอื่นอจ้าทมอย่าพูดอย่าคิดนี่ก็ให้มันสมไวจริงจังลงไปพระเจ้าพร่ำมโสดส่วนบ้าให้ลูกเราดี สงสารโกต้องหลอยก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากส่วนมากเอวังเอวังเงท่านี้เท่านี้แล้วก็สนุกดีนะส่วนมวลสารที่อยู่ธรมะหลายวันมั น, ม, นมันก็ซักโอกลมาบางมัน ยิงเรามาแผ่เมตตาก็ยิ่งล้างบาปอากุศลไม่ใช่ว่าแต่ปากเป็นวาษาโนกแก้วนกขนทอ ก, อกยิ่งพระสูตรช่วยเราวิเดช่วยเราเร า, เราไม่ได้พบกันเป็นส่วนตัวแต่ว่าทําไว้ไหนเป็นสายใหญ่เป็นเช่นได้ร้อยพวกเราเข้าหากันไม่ได้ห่างไกลกัน พระสงทุกโลกกว่าเบชีอุบาสุ ป, ปัสิกาตอนไม้ไหนเหมือนกับช่นได้บรรทัดที่เราเข้าแถวกันอยู่ต่อเมื่อใดเราคนรู้ปฏิบัติธามเรว่าเราเป็นคนคนเดียวกันล้วก็ช่วยตัวเองก็ช่วยคนอื่นไปในตัวเมื่อเราไม่หลงเราก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ถือ ว, ว่าเราความช่วยทำความดี คนต่างเปลี่ยนน้อยเป็นดีที่เรียก ว, ว่าปฏิบัติธรรมก็ทำได้ปฏิบัติได้จรงิงจริงจริงไหนไม่ทําไม่ได้พุทธเจ้ามาได้สนอสนพนะุเจ้าสอนในสิงที่เราทําได้ไม่ใช่ไม่ใช่เรานิยายที่ลงไปเลย ถ้ามำันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีจริงๆจะเพิ่มก็ไม่ได้จะตัดออกก็ไม่ได้แล้วปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นปัจจิตตังเดี๋ยวนี้เรามันหลงเปลี่ยนหลงไม่หลงได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ชาติหน้าไม่ใช่เมื่อพุ่งนี้พวงนี้ไม่เห็นวันเมื่อวานก็ไม่เห็นเราเห็นเดี๋ยวนี้ แน่นอนที่สุดมั่นใจที่สุดอะไรที่เกิดจากเราเราเห็ น, เ, หนเราแช่ไขได้เราแช่ลายชีวิประจําวันใช่จีวอลเราก็ได้ใช่ด้วยมือของเราชีบอลมันสะอดมาแต่เดิมเมื่อบรรทุ ก, กับร่างกายแล้วเน่าแล้วมันก็เหม่นจีวอลบางรูปบางองค์หม่น มันเน a u อยู่เป็ น, นควรจะใส่ใจรักษาจีวรเหม็นผ้าจีวรต้องอาบัดตัวเจ้าของพวกมเจี๊ยวมันก็ต้องอาบัดเขาหลังเกียดต้องใส่ใจถือผ้าแล้วเมื่อถือแล้วไปเปลี่ยนถือผืนใหม่เอาผืนเก่ากผ้าไปไม่ใช่ใชไม่ใช่มาได้เลยแบบนั้นแต่เราต้องซักทักแล้วค่อยผ้าไปเก็บไว้ ถ้าใช้แหล้วพระไว้คืนเดียวเถ้า เ, เหม็นเลยสร้างไม่ออกต้องไปต้มมันหน้าหลังเกียดอย่างยิ่งไปด้วยกันนี่เรา ก, ก็ทำด้วยมือของเราครับด้ยทำให้มันได้ปฏิบัติให้ได้ถ้งหากใครตอ่อใครดูแลตัวเราก็เหมือนกับดูแลคนอื่นเช่งอื่นวัตถุอื่นไปนในตัวเสร็จ โดยเพือ่อเราปฏิบัติมีสติก็มีได้ทุกเวลามันหลงก็มันก็หลงได้ทุกเวลาแล้วก็เปลี่ยนมันได้ทุกเวลาให้มันโลชัวขึ้นมาในเระก็ชี้ไปชัดเจนเหลือเกินสามอาทิตย์เห็นอะไรที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นเหตุที่มันให้เกิดทุกข์ก็โทษมันมีเหตุ สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีควรที่จะเห็นไม่ไ ม, ไ, มไม่น่าจะโง่ที่เราทุกข์โกรธเพราะมันหลงถ้าไม่หลงมันไม่ไปไม่ทุกข์ไม่โกรธต้นตอมนอยู่ที่ไหนละเห็นเห็นเห็นเห็ น, หนถูก ละกุศลละอกุศลเป็นกุศลละความหลงให้ความหลงเปลี่ยนเป็นดีให้เป็นกุศลอกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นมาได้ถ้ามีสติมันก็เท่านี้เองนราไม่ใช่แย่ง เพราะเราเป็นเจ้าของเห็นอยู่มันจะมาได้อย่างไงมันหล ง, ลงก็รู้ไปชา้จาจริงไดทใหมเกิดตัวเกิดตนยึดมั่นถือมั่นมันเกิดจากความหลงให้เห็นในสิ่งที่มันสำคัญมั่นหมายเป็นโทกเป็นโทษจนไม่เป็นอะไรกับมั น, นเห็นไม่เป็น นี่ว่าสมมติทิว่วมดำหลิก็ดำหลี่ออกฉากมั น, มนไม่ไม่รูปคำานันเกิดที่ไหนดำหลีออกรี่ว่าออกไปมันหลงข้างใดก็ออกไปอันหัดต้องออกไปเปลี่ยนไปดำหลี่ออกไดเป็นคำพูดก็พูดในจังเจนนี่ ไม่ให้เป็นการเบียดเบียนตนอย่าให้เกิดความหลงนะพูดไม่เป็นก็ช่วงใ้ชิงเวรร่มไม่ดีเกิดความหลงได้ <c oughs> คิดไม่เป็นก็เกิดความ <c oughs> ทุกข์เป็นโทษได้ <c oughs> การใช้ชีวิต <c oughs> แม้แต่การอยู่การจิน <c oughs> อย่าให้เป็นไปเพื่อตัวตนให้เป็นไปเพื่อ <c oughs> ไม่ใช่ตัวใช่ตน เป็นเหมือนอาจารย์พระท่านว่ากินอาหารดูความว่างอย่างค่กินการเลี้ยงชีวิตไม่หลอกลวงเขาตามอัตภาพของพวกหล่อการงานชอบทำอะไรวันหนึ่งวันเหมือนจะทำอะไรอะไรเป็นงานชอบงานอะไรที่เป็นไปเพื่อตางออกจากทุกเพื่อความสงบเพื่อปริบัิพาน เพื่อมันหยุดมันเย็นมันเร่างานชอบคิดชอบพูดชอบตอบชอบชีวิตชอบรวมเพียนพยายามอะไรที่ไม่ให้มันเป็นไ ม, ไมนไไน่ไม่เป็นอะไรกับอะไรเพียนที่จะไม่เป็นอะไรกับอะไรเติมเพียนต้องกล้าไม่ใช่อ่อนแอก็้าไม่เป็นอะไรนับเป็นทุกไม่เป็นผู้ทุกเห็นมันทุก งานโศกไม่เป็นผู้โศกเขินมันโศกไม่เป็นผู้โศกเพียรย่าปล่อยเที่ยงไว้ให้ความสุกเป็นลอยเป็นตาให้ความทุกข์เป็นลอยต่อทุกข์เป็นทุกโุกเป็นโศกมันก็เป็นลอยเป็นตาจุ้อดีเป็นต่าเพียรออก ถ้ามาเพียนเนี่ยคือคือก็อาหารนี่ยมันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์ทั้งเพียนทั้งปฏิบัติต้องสติไปชอบเป็นไปเพื่อว่าใช่วถั่วช่วย ต, ววยตนสติดูแลรักษาคุ้มครอง รูป ก, กุ้งขอมนามให้เห็นตามความนจริงให้ทั้งรูปทั้งนามไ ป, ปรพร้อพ้อมกันเป็นการพระดาคุณภาพชีวิตรูปก็ใช่มันถูกต้องนามไม่ใช่ถูกต้องอยาชิดให้กระทบก่าเทือนเป็นขึ้น ให้มันเรียบๆชีวิตจะมีชีวิ ต, มวตไม่กระทบกระเทือนเหมือนรถล่าตระใช่เรียบๆก็ไม่กระทบกระเทือนถ้าไปชนโน่นชนนี้ถ้าไปชนโน่นชนนี้ก็ช็อมเจือาหายได้ง่ายชีวิตเราก็เหมังกันสุขทุกข์อาต่างๆ ให้มันเห็นแต่อย่าให้มันเป็นถ้าเห็นไม่เป็นก็เรียบแล้วถ้ า, ถาเป็นหรอกก็ไม่เรีย บ, ยบขุขะเป็นฉุกก็กขุขะเป็นทุกข์ก็ขุกขะยิ่งมีความหลงความเลอะความจังขุขะไม่เรีย บ, เ, ยบเหมือนกันทางมีคึ้่นโนดวิ่งได้ยาก ถ้ากระทบประเทือนไม่ไมนานทางไม่ค่อยไกลค่อยนานที่จะถึงเห้ือนพระเจ้าทรงสอนชาวกพิสูจนัง้ ง, ง, งหลายไม่ขี่ตั้งหลายย่าโจมทั้งหลายเตอจงปิดน้ํำในเรือออกเรือของเธอมันหลักเดินทางชา้ <c oughs> าปิดน้ํำในเรือออกให้เรือได้เบาวิ่งได้ไวมันหนักก็เวลา หนักด้วยความมีความเป็ น, เ ป, นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโทษ เ, เป็นลากเป็นชางพอใจไม่พอใจมันหนั ก, นกที่เด็ด ต, ตันหาหลคกะโทจอมอหนักวิ่งม่ค่อยสะดวกอึดอดัดต้นชาไม่สนุกเธอจงเวิดน้ำในเรือเธอออกให้มันเบาเพื่อ ว, วิ่งได้ไว่วยถึงจุดหไห้เบี่ยทางได้ง่าย มีเยอแยะที่เราจะเอามาใช้กับชีวิตเราไม่ต้องจนอะไรที่เกิดกับกายกับใจนี้สติสามาชถญญอทลุไดท้ทุกเรื่องผ่านในทุกเรื่องไม่ยากไม่เหมือนไล่โยงภาณฑต่างๆความหนักต่างๆไม่เหมือนไล่โยงไล่โยงยากกว่า บันทีต้องเอาตะไคร่อหอมมาฉีดไล่มันมันทีต้องมีในมุ้งการเปลี่ยนควองร้าเป็นความดีเนี่ยง่ายๆแต่ามาชะบิตน้ำ ห, หรือออกให้เบาทันทีเมื่อมันหลงไม่หลงเปลี่ยนหลงไปหลงเบาแล้เมื่อวันทุกไม่ทุ ก, กเปลี่ยนทุกไปไม่ทุกบเบาแล้วต้องผัดดัมันเบาต่างกัน ถ้าทุกเป็นทุกไม่เบาทุกเป็นรู้เบา <c oughs> <c oughs> ยี่ยงไม่เป็นผู้ทุก์ก็ยี่ยงเบาอ <Yeah. S 1> ย่างว้เลย <c oughs> กระโดดถึงยอดก <c oughs> อดมงกุฎ <c oughs> มันจะมีพลังตนที่มันละถ้าปฏิบัติจริงๆนะมีพลังคนเก่นก็พลังก็โจน ได้ตอนนั้นถ้าคนไม่มีพลังก็ติดแล้วขาดท่วมเตียมแล้วโดนเข็นก็าหาพลังกระโดดถึงยอดโกตรบังกุธธรรมพรือตอดบงกุธธรทำน้วยหาไทยไม่เป็นอะไรกับอะไรนังนก็โจรในช่วงที่มัน นันกูขางังนของเง้นเหวสนุกตอนนั้นเหมือนเหมือนเล่นเล่ น, ลนจะไม่เป็นเด็กเล่นขึ้นเล่นหนอนบนต้นไม้บนกอไผ่ที่ไม่มีนม้ำต้นเชี่ยว ผู้เชี่ยวที่เป็นเป็นเถาต้านมะขามกระโดดไปเหมือนอะไรสนุกดีกระโดะะโ ด, ในะะโดใช่จริงนั่นกระโดดใช่จริงนี่มันสนุกตอนกระโดดไม่ใช่ต้มเที่ยมถ้าเป็นสมมติว่าแผ่นดินมันไหวถ้าสมมติว่าแผ่นดินมันแยก เราคงสนุกดีอยากกระโดดใส่ตรงนั่นกระโดดใส่ตรงนี้เพื่อข้ามมงกข้ามเหนีวไปไม่ใช่ยอมให้มันจมอยู่ที่นั่นถ้าคนมีกำลังมีกำลังใจมีความเพียรเหมือนมหาชนกมหาชนกเนี่ย เรือล่มคนในเรือไม่เตรียมตัวไม่มีสติหมาชนกเนี่ยเห็นเรือมันล่มแล้วมีกำลังเตียมเตรียมเิงของพอ ท, ที่จะมีอะไรที่พอใจ้ได้ก็ปีนขึ้นไปตรงไหนที่มันสูงที่สุดในเรือ เสา ก, กระโดงมากเป็นขึ้นไปสมงทวันโสดู้อยู่ข้างล่างไม่รู้จะช่วยตัวเองไม่มีพลังอ่ อ, อนแอไปเลยโจม อ, อยู่ท้องเหนือใต้ใตใตมาชอบเป็นขึ้ น, นไปเสา ก, กระโดงเมื่อเหลือร่วมก็ค่อยๆค่อยๆ <c oughs> ตั้งท่าดีก็ไม่ต้องออกแรงเพราะเตรียมแล้วมีอาจจะมีอะไร ทอนไม้หรืออะไรอาศัยบ้างก็เรือมันล่มจบลงน้ำถึงเอวถึงอกถึงปากถึงท่วมแล้วก็ค่อยๆลอยคอไปมีอะไรเกาะอยู่เอาว่ายไปตรงไหนว่ายไม่หยูันเนี่ยไม่เห็นฟังก็จะว่ายอยู่ตรงนี้มีพลังคิดถึงแม่ยืมเงินแม่มาค่าขายเป็นหนี้แม่จะต้องพยายามที่สุด จนถูกขวมสามารถจนเกิดเมฆขลามาเยอะเย้ยเอ้ยมาโนบเธอจะว่ายไปถึงไหนเธอมันไม่พ้นดอกมันไม่มีฝั่งที่ไหนมานโนไม่เลยเราทอยิ่งยิ่งโตโตเดี๋ยมาสนใจเราเรามีหน้าที่ว่ายไปเน่ถึงไม่ถึงเป็นเรื่องของมันเราจะว่ายไปตรงนี้หระ ในสุดแม่ขลาก็ต้องมาช่วยค น, นั้นก็ถือว่าอกแตกตายคนดีนี่คือเออพลังแก่นก้าถลาได้กันให้ยอมตายก็หนังมุตาก็ไปไ ป, ไปเหลือล่มเหมือนกันไปก่อหางซ้ายแก้ว <c oughs> ลงเรือ ในแต่พระบ้านโคกไม่นั่งเรือไม่ค่อยเป็นเรือก็ลำไม่ใหญ่จากหาจากฝั่งไปหาเกาะหาชาเจ้ากไ็ไกลๆเท่าไหร่นาแต่ขณะนั้นมีเรือประมงอยู่ร้อยลำแต่เราก็ลงนั่งเรือไปพอนั่งไปคนก็ไม่ไม่เคยนั่งเรือมันก็ตุกตอกตุกตอ ก, ตกเอียงซ้ายเอียงขวัวไม่ไม่มีการทรงตัว เอียงไปเอียงมาคนนั่งอยู่พระนั่งอยู่ก็วัดเหวียงไปตามมันเอียงไปมันก็ยิ่งทําให้เรือมันไอย่างแรงไปแรงไปโจมน้ําบอรเรือมันโจมแล้วกําลังโจมรองพระบางโลกไม่ระมัดระวังกระโดดลงไปทั้งแท้เรือมันล่มอยู่ยังกระโดดน้ํากระโดดลงไปก็ไม่เรียบร้อยผ้าเีวร อ, องคลอ หรือบาดพระลงบลาลังอยูงไม่เตรียมตัวก็ล อ, อยกระปุกกระปก <c oughs> เกือบเจ็ดตายเรือประมองก็เห็นเหลือบางล่งหมดแล้วพระร้อยคออยู่อชีวรของของทั้งบาด ท, ทั้งย่ามแล้วก็ย้นเชือกลงแสงตอนนั้นแล้วก็ตั้งทา่าเห็นเหลือล่มหมดจีวรปลดอกจากตัวเรา บาตก็ซิบโหดชิบดีๆถุงยามโหดชิบดีๆแล้วก็เตรียมตั้งแต่ข้ามเหลือใส่ในบาตถือไว้แล้วก็ยืนอยู่บนเรือให้เรือจองไปก็แล้วก็ลอยคอสบายเลยแล้วเสือเรือประมงก็หมาเพิ่งเชื่อของสัตว์แล้วก็เขาก็ดึงเอายื่นบาตที่เขาก็เดึงขึ้นเรือเขาจับแขนนังขึ้นก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ภาพบางโลก กืบจะตายไปเพราะไม่ไม่มีสติอะไรที่เหมือนไปทุกข์ไม่มีสติมันก็ส บ, บสบมไปโควมทุกข์โมสุขถ้าเรามีสติตอนนั้นนะเป็นศิลปะเป็นชลนิลาของเราแน่นอนที่สุดชีวิตเราต้องเก่ยต้องเก็บ ต, ต, ต้องตายถ้าเคยเไว้ก็เป็นเรื่องง่ายถ้าไม่เคยก็มืดแปดด้านนะ หลงเป็นหลงเก็บเป็นเจ็บถ้าเราเห็นเนี่ยเราฝึกเนี่ยเราฝึกเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนให้มันเป็นลูกเป็นลูกไปนี่ยมันเปลี่ยนได้มันลาบลื่นได้เป็นละมันลอยคอขึ้นยากก็สุกเป็นสุขลอยคอทุกเป็นทุกลอยคอเหมือนสุขทุกเป็นทะเลเป็นโอยากที่คนอยาขึ้นฝั่ง่างหลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธ เห้นอนาะเลง่วงน้ําถ้าเห็นเหล่วฝั่งก็จะเรียบทันหน่อยยศมันสุกไม่เป็นพู้สุกเลยขึ้นฝั่งอาจจะไม่ยากขึ้นง่ายอาจจะก้าวได้เลยเหมือนท่าเรือท่าเทียบเรือเตือด่วนเจ้าพยามีท่ามีท่าขึ้นท่าลงไม่ลํำบาก ชีวิตของเราถ้าเปรียบเทียบแล้วเนาะสัมผัสดูภาวะที่เป็นสุขภาวะที่เป็นทุกข์เป็นผู้โกรธเป็นผู้ผิดผู้ถูกมันจะลอยคอสง่าทําให้ไม่มีท่าไม่มีท่าไม่ลาดชันเป็นล่าผาถ้าเราพยายามเห็นจ้ะเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นทุกข์เพื่อง ที่มันเกิดกับกายกับใจกับลูกผมนามเนี่ยเห็นทุกเรื่องทุกเหล่าที่มันเกิดขึ้นมาแม้นกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมันก็ไม่มากถึงกับจะตะคุตบตะพับอะไรมันมีอันเดียวเราไมีสติสัมปชัญญะใช่กายใช่ใจยอยู่เนี่ยเหมือนโบราณท่านว่า คำทำนายคำทายกันก็จะตอบได้ภาษาอีสอนานหัวอีเขียวผูกรักเดียวหัวชุ่มกันไว้ใครตอบได้แม่ชีน้อยตอบได้ไหมสมหญิงตอบได้ไหมหัวอีเขียวผูกรักเดียวหัวชุ่มกันไว้ โมอยเขียวผ <laughs> ูกหลักเดีย ว, ยวหัวจุ่มกันไว้ไอะไรที่มันผูกหลักเดียวมันจุ่มกันอยู่น่ะฮะ <laughs> มันมีหลักเดียวอะ <laughs> เชือดเส้นเดียวผูวกไว้น่ะทำไมเจ้ามาคือเน่ยหลักปฏิบัติมาเป็นห่วง เหมือนทำไ้ไหนก็หล่าสตินะเหมือนเสือขังเสือเสือหกปากไอศิวที่พูดใน้ฟังไหมไม่มาหลายข้างเราวเสือหกปากเลี้ยงยากกินอาหารต่างกันแต่ละปากปากหนึ่งก็กินอาหารแบบนึงปากหนึ่งแคกินแบบหนึ่ง หกปากต้องหาอาหารให้พอ่อในทั้งหกหกเรื่องมนุษย์หยาค่าเสือหอาวิธีฆ่าเสือไปหาดาบบทฤษีเขาก็บอกว่าต้องเอากลงขังทำกลงสองรอยยี่สิบกิ้มาขังทำกลงสามรอยขี้มาขังเสือก็อยู่ไปไม่ได้ อ้าก็ทำกลงขังสองรยสามสามร้ยสองรยยี่บเก็ดขี้ไม่อยู่แล้วบอกหลังกลับไปไม่อยู่เอากองสักแปดสักสิบขี้ซะแล้วทำกลงสิบขี้ขังเสือก็ไมาอยู่บอกให้เอากองสักแปดขี้ซะ หขังเสืออยูก็ไม่อยู่เอากงสัชีซะมาขังเสืออยู่มาวเากงหชีมาขังไม่อยู่ไอ้เธอก็บอกแค่เอากงกงเดียวขังเสือซะมาทากงเดียวขังเสือเสือหยุดเลยตายเลยเสือนี่คือแทรกกองห้าชีสทคือไร หมายถึงระเบียบไว้ไหนสิ้นสองร้อยยี่สิบสิ้นสองสามร้อยสิ้นสิบสิ้นแปดสิ้นห้าไม่อยู่อย่างที่คนมีสิ้นทุกวันสมาทานสิ้นมีพระสงฆ์ปสมาทานสิ้นสองร้อยยี่สิก็ยังมีข่าวหน้าหลังชี้เพีย ม, มอยู่รวดเร็วที่สุด มือถือสอกปากถือสินไม่อยู่เอากองที่เดียวเนี่ยคือสติเนี่ยงออีเขียวเลยเนี่ยปกรักเดียวหัวจุ่มกันหมดนี่สติเนี่ยให้รู้ส็กตัวเนี่ยมันไปไหนไม่ได้แล้วมันจะผ่านต้ง น, นี้แหละเป็นเทวนบานตนน้งแนวปฏิปธานทีวิปัจริญญาณเป็นป้อมปาการ เห็นมาท่านใดก็รู้นะเปลี่ยนนะอยู่นี่คือหลักปฏิบัติไรโยมมันจะเอามือไปพัดไปวีต่วนที่เจริละกิเลสตัณหาเพียงแต่มีสติเขา้าไปว่าแต่หัดมันมีเหมือนมีตาเอาไว้ก่อนอะไรผ่านมาจะได้เห็นมันสติมันยิ่งกว่านั้นเห็นแล้วไม่เป็นเนี่ย เห็นทุก์น้าสามมหาทิฏิหอบแล้วเห็นเหตุที่เกิดทุกเห็นวิธีการออกจากทุกเห็นในตับทุกได้แล้วเสร็จเลยทันทีพพ้อมกันติสี่อย่างสามอย่างในขณะเดียวกันเห็นเห็นทุก ไม่เป็นผู้ทุกหุ้นจากทุกอเอาเดียวกันพิพตาเดียวเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธห้นเจาะความโกรธเห็นทุกอางที่มันเกิดขึ้นลักษณะเดียวกันหมดเป็นที่จะดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในหลักอริสัจชีงานตัดรูปพระเจ้าเนะี่ยและก็คือทุกคนนี่แหละเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของไข่ เรื่องของพระที่เจ้าเลยไม่ใช่เลยเป็นเรื่องของชององีวิตทุกชีวิตถ้าเป็นคนเป็นมนุษย์น่ะปริเฉธม่ได้เด็ดขาดความจริงเปล่งเนี่ยคมไม่จริงก็อยู่เนี่ยควมหลงไม่จริงอ่ะกมไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงใ้รจะคาดอนีรก็คาดไป <c oughs> ให้พวกเรอสอนกันอย่างนี้ ไปรอบโลกเลยก็เห็นไม่เป็นเนี่ยมันยอดเยี่ยมที่สุดจนไม่เป็นอะไรละมันมันมันหมดอ่ะไม่เป็นอะไรกับหลไรอันที่เป็นลดของโลกโอกาสโลกสงขารโลกหรือลูบโลกงามโลกอุปทายโลกอุปทายโลก ที่มันยึดไว้นะันก็มีเท่านี้จึงได้หลักปฏิบัติอันที่ทันสมัยไม่ล่าสมัยงม้อเธอพวกเราน่าเป็นเพื่อนกันช่วยกันช่วยกันเคยช่วยตัวเรา เว่นจากการทรเลาะว่าดเว้นกา ร, การเบียดเบียนตนเองก็สงบร่มเย็นเมื่อทําได้แล้วก็ไปบอกคนอื่นเป็นแบบเป็นฉ บ, บับตัวอย่างดีกว่าคาสอนทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้มันรู้มีสติร้อยประชัมันหลงมีสติไม่หลงมันโกรธมีสติไม่โกรธมันทุกมีสติไม่ทุก จะให้สิทธิของเราให้เป็นธรรมทุกข์ไม่ว่าทำ ม, มาเทพตายทำ ม, มาเทไตายยะจำปชมจเหรอทุกคนต้องต้นตรงนี้จะเป็นคนคนเดียวกันแต่เป็นอันเดียวกันเพิ่งผาเสยกันได้เราก็เพิ่งตัวองได้ไม่เป็นอะไรก็อะไร ว่าสนุกหลืวป่าคนที่ไม่เป็นอะไรคิดไม่เป็นอะไรอะไรมันก็สนุกทำงานทากามเมื่อควา ม, มไม่เป็นอะไรไม่ใช่อยู่เฉ ย, เฉยมันอยู่ไม่ได้ไม่ต้องมีคําสั่งถ้าเข้าถึงแพร่กายน่แล้วไม่มีคําสั่งใครมาบอกคิดจะช่วย น, นั่นิดจะช่วย น, นี่เป็นไรเห็นเราไม่ทิ้งเรา ช่วยตามกวามสามารถตามหน้าที่การงานของเราจึงเป็นเป็นการถูกต้องแล้ชอบที่สุดชีวิตของเราต้องเรื่องนี้เรื่องเดียวมีสติดูแลตัวเองคือกายคือใจคือครูปคนน้ำเนี่ยเราเป็นงานเป็นการ เจ้าพัสอนโน่นพิสูทั้งหลายโน่นเลือนวางโน่นตนโน่นโคนไม้เธอจงได้ย่าประมาทย่าประมาทมีสติอย่าเรียกร้องแรงงาน จ, จากกาจากกนและกันมาก ถ้าจะมีการทําอาหารเลี้ยงก็อาสาสมัครถ้ามีอาสาสมัครสมัครไปบ้างไม่สมัครก็ไม่เป็นไรไปทําก็ทําแล้วความสนุกไม่ทาด้วยใครมาครับขับสายอยู่ที่เราก็ยากจนพิเบาทเลี้ยงกันไม่เพียงพอต้ององอาหารที่ลงทาน คนคนนำข้าวปลาอาหารมาไว้เราก็มีสิทธิกินได้ทานได้ทังเหมือกันหมดไม่ว่าจะเป็นพระสองฆอง์เจ้าไม่ชีญาติโยมเท่าทหหายใครมาจากไหนทางใดให้ถือว่ามาบ้านเรามาบ้านตัวเองอยู่ร่วมกันไปถ้าเดือดรอ้อนเรื่องอาหารการกิน มีปัญหาเจ็บไข้หรืป่วยก็มีพระดูแลอย่างอาจารย์ตุ้มย้อนไปสานย้อนโนดเจ็บไข้ยรือป่วยก็บอกกันใครทอดมาเที่ยงเวลานี้ก็อุ่นใจมีคนหมอหนายแพทย์วันจบหมออยู่ด้วยให้สนใจเรื่องสุขภาพบ้างกษาท่านได้ นั่นเป็นผู้ที่เฉียชละก็อัศจรรย์ท่านนะคนป่วยคิดถึงท่านนะไม่ไม่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ท่านอาจจะคิดถึงคนป่วยบ้างหรือเปล่าอาจจะคิดถึงนะเพราะว่าวันนี้ก็จะมีการออกชี้คงเล่ น, นบอุกับชีคงกัน มันต่พกี้กลงแล้วก็ไปผังเข็มตรวจความดันแต่หลงพรมเห็นพระที่สุดสมอันซ้อมจนะะอันนี้ก็สมงวนเจวลากาบพระพร้อมกัน